ทั้งสามเดรรุกพิธามีอะไรเหมือนไหมนั่นมไม่มีอะไรเหมือนเลยนั่นะนะเพราะนันเนเรื่อเก่บทั้งมวล น, นี่มิตรลายมันก็เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันเหมือ น, น, นกันหมดอันนี้ไม่เหมือนอะไรนั่นท่างที่แยกงานันต่างกันยังไงโรกุปยาธรรมทำเหยียบหัอกิเลสนั่น <c oughs> แหละมันสนุกสนุ ก, นกนเราแปลกันเอง โลกุตระธรรมแปลว่าทําเหนือโลกโลกะอุตระแปลว่าสูงทาที่สูงกว่าโลกหรือทําเหนือโลกแปลงนเราแปลพวกในภาคปฏิบัติแล้วทาที่เหยียบหัวกิเลสกล็ว่ามันเสียมกิเลสต่ากว่าเราแล้วก็เหยียบหัวมันได้ถ้าเราตา่ำกว่ามันมันเหยียบหัวเราอย่าลืมคิดนะขอนี้นะเดี๋ยวนี้มีเดี๋ยวดีเดี๋เหยียบหัวเรา โรคุตุลาเกี่เอเหลือเหยียบหัวแม่กับโร ก, เ, ก เ, น เ, นเนี่ยไม่ใช่เป็นห่วงหมูเพื่อไงการมาไม่ได้มาแล้วความสมบูรอะไนสุขภาพนะมาแล้วความตะเกียบตะกลายเป็นความห่วงหมูเพื่อมันเป็นในระับธรรมชาติของใจนั่นแหละเพราะฉะนั้นเวลาทำอะไรมันไม่ได้อย่างที่เราสอน ยิ่มันจีดมันขวาง ม, มันพลิกมันปีนป่นเกลียวกันนี่ดาวภาษาโลกก็มันโมโหัว่างนันเลยนันไม่สมเจตนารัติเทศสอนหนุ่เพื่อนอย่างเต็มหัวใจทุ่มลงทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วทํำไมยังมาแสดงอย่างนี้ให้เห็นนี่นะ่ะนักแกก็ามาเรื่อยๆวันนี้ก็ดี ไม่มากแต่ก็มาไม่ค่อยขาดเราก็ต้องรักแขกไปเรื่ อ, อยๆมันจบเอวมนจะตายหนิหหหว่ า, าทำเงินฝึกไปเัินเบใใื่หน่ายาลำพังตามเรื่องของจริงนี่ยจะให้เรื่องอะไรเื่อตามความใจนี่ไปนานแล้วนี่ ที่ียอยู่ที่เกลียดยุ่งเรื่องธาตเรื่องขันเรื่องอะไรทั้งนั้นเรื่องของมุดทั้งหมดที่เคยเป็นมาแล้วทั้งนั้นมันเป็นของแปลกที่ไหนงันไหนวันไห น, น, ไหนถึงตามมาเช้ามันเรื่องแบบปฏิบัติต่อธาตุต่อขันพลราฮเวีบรรจักขันทา่าล้วรับผิดชอบมีตลอดเนี่ยจิตจะไม่พลร า, าเวาีันรจักขันท่าไม่ได้ยึดมัน่นถึงมั่นเป็นเรื่องของกิเลสก็ตามความนัาเิือ่อคามก็มีอยู่นั่นแหละ สารพ่วไปไปไหนไปเถอะลงตมลงท น, น, นถ้ามันเคยลงเนะี่ยหมดความนับผิดชอบจะว่าหมดอะไรหรือก็มไม่เห็นอะไรอะไรของมันเ่ยหมดความนับผิดชอบเพราะนั้นหายยุ่งว่างเงี้มันให้ยุ่งว่ายุ่งแล้วเกินสองวันนี้ไม่ทราบมันมันเย็นอะไรฉันเดินไปไหนก็ไม่ได้ ล, ล้มลุกคุ้นการลุกคุณรีบนั่งลงมันจะล้มในเดี๋ยวนั่นหน้ามืดทันปั๊บทันทีเลาต้องรีบนั่งเลยไม่รีบมันมันจะล้มก่อนถ้ามันล้มแล้วมันหนักมากเรารีบนั่งจะมันยังไม่หนักยังกลัวว่าเราจะรีบทําไม่ทันมันเลยความรู้มันรู้จิตความยับมันรู้ทันทีเลยแต่นี่เรื่องของจิดเรื่องของจิตเรื่องของธาตุมัจะปฏิบัติต่อกันในที่ถ้าไม่เร็วทันมันมันก็เอาดีจริง เช่นรีบนั่งไม่ทันนี่ล้มมันยิ่งหนักหนักตัวไม่ขันไม่เดินสบายนะมันเดินไปไไหวโซสาโเสีคยควายจะล้มถ้าไม่แน่ใจไปมันเอาจริงเลยไม่ไปนแป่าคก็เมื่อขามันก้าวไม่ออกแล้วท้อมจะก้าวไปทาไมอ่ะไม่จ น, นั่นขาไม่ก้าวไใหญ่ท้อง ม, มันก้าวไปให้ริ่มมันให่ปากมันก้าวไปแม่งจริงจะพอดี อันนี้ส่เนี่มันก็เคยเคยดึกดัดจนได้ของมามันก็ยังมีนาทุก่ันมันยังมีมันจะเป็นนิสัยเลยก็แล้วแต่นะตะกอนเป็นอยังงมันนีไม่ได้คุยนี่แล้วทำจริงมันฉันไม่ได้เพราะมันบินถวัลม์ไม่ได้ไม่ฉันผมเคยเป็นปฏิวัติมันมาจนระลึกไม่ได้เลยว่าเราฉันไม่ได้เราไปบินถติไม่ได้ใจเราฉันอยู่ตรงไหนนี่นู่น ฉันไม่ไไม่เอาไม่ฉันคือไปไม่ได้มันความร่างจะไปของมันได้เองฉันได้เองนฝุก ข, ของคือในระยะนั้นกับมันก็เดี๋ยกคุณเริ่มความเด็กเดียวของจิตไม่ให้จิตมันอ่อนแอได้เลยคุ้มอยู่ตลอดการไข้มันไม่มยาแต่ก่ อ, อในยิ่งไขมาเรียนด้วยแล้วโอ้โหเวลาหนาวก่ ถ้าหอมเท่านมันก็ไม่มีละอุ่นเอามันหอมเท่านัมันก็ะหนักเฉยมันไม่เห็นอุ่นเลยจับสั่นยามาหอมมันมากอ้าวนึกว่สั่นเลยจะไม่ต้องทาพู้ติคนลมลงไปนี่ก็ให้มันเห็นดีกว่าปล่อยมันเลยเอ้าวเด่นที่พอจากนั้นมันก็เปลี่ยนจากหนาก็เป็นร้อนทีหนึ่งร้อนภายในเนี่ยร้อนโอ้โหมบื้องร้อนเป็นไฟเป็หมดทั้งตัวผ้าที่ผมไปยังไง ผมไว้งั้นเลยไม่ยอมอาออกนะตียมัดไม่เรียนนี่หนักมากนะเวลามันหายไปแล้วเนี่ยผมบนที่ขานี่ร่วงเกือบหมดเลยนะเนี่ยต่างนี่เปื่อยมดเนี่ยคือมันร้อนหน่มากผมร่วงไปหมดนะหนึ่งที่ต่างนี่เปื่อยมด เ ป, เป็น้องขี้อ้วเป็นน้องห้อยสายก็เป็นผมคุณแ ม, ม่ๆ ก, ก็ไปอยู่ห้อยสายเพราะมันก็พอๆอกันนะมาเรียนนี่มันเป็นที่ไรนะก็ทีทไรมากเ ม, มาก ม, มันพอๆอกันมันอยู่านี่ไม่เป็นจริงนนะ เ, เ็อยู่ให้สายลุกขับน้องขื่ใหม่ให้สายเป็นตลาดไม่น่าลุกอะ ไ, ไเลยมันไม่สั่งกาเช้ามันยังไม่สั่งเลยดูยไ่ได้ก็ไม่ต้องลูกไม่ตอ้องกินองือกับมันตาย าัอาจารย์ท่นร้ในแสงเรากายเายาเราแค่เราไม่กินไม่กินเวลามันเป็นโรคมันหาโรคมาจากไหนมันเกิดในกายเวลาราหาจุลาวะอุทมจากไหนนี่วะเป็ดไก่สัตว์เป็นแผ่นดินเขาไม่นมีโรงพยาบาลมีนางพยาบาลมีหมอรักษาเขานี้ไม่เห็นทิบหายพันนี่วะเราทาไมเลิปฏิบัติไปกลัวตายกลัวิบหายอะไรนี่วะหน่งดังนั้นนะมันไม่หายไม่ตายเท่านั้นมันก็มีเท่านั้นนี่วะ จิตมันก็เด็ดอยู่ในจิตนึ่นอันานี่มันจะอ่อนขนาดไหนจิตมันไม่อ่อนด้วยถ้าจิตไปอ่อนแล้วมันละปไปใหญ่นะนี่ยาพวแลกไปเลยนี่ปฏิบัติตัวมาอย่างนั้นนะไม่ใช่มาพูดเฉยๆนี่เคยปฏิบัติมาแล้วความแหมกูจานท่านรุ่นนิสัยท่านมาเองยาเม็ดนี่ก็ท่านว่าเสร็จขึ้นนี่กล่องใจเราก็เราก็เคารพท่นใครมาให้ฉันเราไม่สันท่านมาเอง อ้าวนยานฉัานาจหายเลยนี่นี่รายื่นเข้มาเลยทันทีเอาเลยเลยอะเอาเลยนี่มันหายเลยนะอินนิดนึงมันหายนี่กินมันก็ไม่หา ย, ย, ย, ยทいいาย่านกว่าอย่างนั้นถ้าเอาามาอะไรมาให้ก็จะฉันทุกทีเพราะความเคารพเคารพท่านมันมันก็ไม่ถึงกับเสียกำลังใจของเรานี่ยเคารพท่านเราก็รู้จะเป็นวะเป็นอย่างธรามทานีุ่ลุงเหมือนกันคนอื่นีะมาใส่บาตผมได้หรือ แต่ท่านใส่ได้ทุกทีท่านต้องทีไรต้องถึงทุกทีไงใส่ปุ๊บหีุถึงเลยนี่แล้วก็เ้าลบเขาบินตวานมาแล้วมีรายการใส่นี่หน่อยไว้นั้วแล้วก็เขาไปปิดฝาไปนู่นข้างเสาหน่งฝาปิดแล้วยังไม่ไล้วผ้าน้าปิดอีกวางเงี้ยใคไปแตะไม่ได้ใคมาตื้งผมได้มาอะไร ผมบริจัดเพราะแม่บริจัดมัอาหารนั่นแหละเราจัดเพราะเราคนจัดอาหารดูอะไรคนไม่คว ร, รเราเป็คนดูเองกับท่านน้่นกลัวท่านผมไม่ทราบเป็นยังไงกลัวหรือไม่กลัวมันทําอยู่ใจความพอใจของตัวขอ ง, องนั่นถือว่าเฉยบเแลาท่านจะเอาถ้าท่านไม่ได้ทําบ่อยแล้วท่านก็รู้ นานๆทนเอทีหนึงสัตามาสายมาใส่บาตรมือท่านถึงนล้วนะไม่ท <c ười> ําไกเราคงเแล้วสัตตามันเพื่อนหนึ่งสัตามาสายมาหมายถึงท่านหน่โอ้สัตามาสาใส่บาตรจะล้องสัตาังก็วาง่เราก็ยิ่งจะวางไงแต่ท่านไม่นานๆท่าทำทีหนึ่งขึ้นในปาษาสารเดือนนี้ท่าจะใส่อย่างมากไม่เลยสามน่ะ ในวันเสาร์ผมบอกผมตุ่ยผมไม่เคยเล่าเวนใครไม่เอาก็ะตังมันล้มไปหมดอะไนะนี่ต้องตึงเห็นเรื่องของหมูของเพื่อนเนี่ยก็ทําท่าทำทางอะไรเดี๋ยวก็ล้มไปล้มไปจนหมดที่ทําไมหมูเพื่อนถึงเป็นอย่างนี้หาความคุ้นความจำไม่ได้เลยทําให้เกิดความน่าละอาใจได้เหมือนกันนะนี่ําไงยหาความคุ้นความจำไม่ได้ที่ปฏิบัติแท้ทําไอ หาความจริงจังไม่ได้เลยทำไมตัวนี้สมัชานแต่จะของสมัชชานเดินเจ้าของก็ทำลายเจ้าของเองคิอพ้าก็หมดทั้งวัดนี่นั่นที่ใครมาแตะบาดผมไม่ได้มนล้มลแล้วจะมาเตะผมไม่ล้มอีกได้เลย น, ะนั่นเลยนี่สายมึงก็เป็นอย่างนั้นมาแต่นแต่ไอยู่กับพ่อแม่คราายใครมายุ่งได้เมื่อไร่อนเนียนกลัวจะทางนนั่นเละอยู่โ น, น่นด ก็มันเป็นนิสัยนี่จริงจังทุกอย่างนี่นละหล่อแหลมเมื่อไหรว่วะมันนี่นะกลัวเองเราไม่ได้ทำให้ข้าในกลัวนี่มันเป็นเองของมันนั่นแหละเพราะเราจริงทุกอย่างนี่ทำความทุกข์ความลำบากเกี่ยวกับเก็บค่าได้ป่วยนโอ้มันไม่มียาแต่ก่อนไม่มีจริงเราก็ไม่สนใจยาด้วยเห่ือนกะัน มันเป็นไข้ของมันก็ว่าขึ้นเป็นเวทีแล้วนะ่ะกำลังบางชามกัดกระดีพอมันหายไข้วันหนึ่นงสอันมันก็แข็งแรงเป็นทันทีเลยทุกวันนี้อว้ไม่ได้นะมันเป็นนิดหน่อยแล้วมันก็มากเดือนนี่ยเพราะกาลังไม่มี อนิจญาเนี่ยเามาฉันมันฉันไม่เหมือนนะฉันไม่หม่อนนะมาหลอดเดียวถ้าฉันสองหลอดทีเดียวมันไปบะดเหมือนกันนะแทน